สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอรายการธรรมรับอรุณ ตัสสะภะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัจขออน่อน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น ปาริปักโกวโยไมยหังปาริตังมะมะชีวิตังปะหายะโวขามิสามิกะตังเมสนะมัตตโนอปปัตตาสติมันโตสุสีลาโหถัตพิขโมสุตสัมาหิตสังกัปปาสัจิตตะานุรักขะโยอิมาสมิงธรรมะ มิเนเยอปมัตโตวิหาริสติปหายะชาติสังสารังทุกขัดสันตังกริสตีติวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบเรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสนนัของตัวเราได้ทำไปแล้วพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดี มีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเติดเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้เพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ประรบเหตุเนื่องจากการมรณภาพของพระอาจารย์หลวงตาพระหมหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าัญตะ การเทศในวันนี้ก็จึงจะเป็นการเทศที่อุทิศแต่ท่านผู้มีศีลคือหลวงตามหมาบัวจากพระบาลีที่ยกมาในตอนต้นที่แปลเป็นภาษาไทยว่าใบของเราแกงงอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสรณ ะ, ะของตัวเราเองได้ทำไปแล้วพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดี มีความดำริอันตั้งไว้แล้วได้ดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดเถอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้อันนี้เป็นพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้หลังจากที่ทำการละสังขารได้ตรัสไว้กับพระ อ, อ น, นุนไปสามเดือนก่อนปริพาน ในเวลานั้นพระอนุ์ก็เสียใจเป็นอย่างมากใ น, ในการที่พระผู้มีพระภาคเนี่ย p r o อายุสังขารแล้วก็พยายามหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะแก้ไขไม่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้กําหนดวันที่จะจะตายเอาไว้จะประเดนิผ่านเอาไว้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสคาถานี้เพื่อจะเตือนสติพวกเราสาวกภิกษุทั้งหลายให้เป็นผู้มีสติตามรักษาจิตของตนอยู่ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้มานะตั้งแต่ตรัสรู้มาใหม่ๆเนี่ยได้บอกภิกษุทั้งหลายอยู่แล้วบอกว่าธรรมชาติ3อย่างนะได้ทรงตรัสถึงธรรมชาติ3อย่างที่ถ้าธรรมชาติ3มอย่างไม่มีอยู่ในโลกแล้วเนี่ยก็จะไม่มีตถาคตผู้อรันตัดสัมมาสัมพุทธะ บ, บังเกิดขึ้นในโลกแล้วเราก็ธรรมะที่ประกาศไปก็จะไม่รุ่งเรืองไปในโลกนะแต่เพราะว่ามีธรรมชาติอยู่3อย่าง นั่นคือความเกิดความแก่และความตายมีธรรมชาติอยู่สาอย่างคือความเกิดความแก่และความตายมีอยู่3มอย่างนี้พระองค์จึงอุบัติขึ้นมามีอยู่ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหา3ามอย่างนี้คือปัญหาเรื่องความเกิดความแก่และความตายความตายเนี่ยเป็นความพลัดปรากความพลัดพรากอย่างไรคือพลัดปรากหมายความวาอย่างสมมุติถ้าคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศ หรือไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยไป3ามปี5ปีก็ยังมีวันกลับมาไดนะ้แต่ถ้าตายจากกันไปแล้วเนี่ยไม่เจอกันอีกนะอย่างน้อยก็ไม่เจอกันในปัจจุบันนี้ไม่มีทางกลับมาได้คือไปแล้วไปเลยดัง น, นั้นเวลาคนเขาตายเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายจึงมีความเสียใจกันมาโอ้ตายแล้วจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะจะไม่ได้พบปะพูดคุยหลังจากคนที่ตายไปเขาจึงมีความเสียใจดังนะพระเจ้าจึงต้องการจะแก้ปัญหานี้ เวลาคนจะตายเนี่ยนอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องนิ่งๆอยู่ในลมไม่ใช้ก็แผ่วเบาไปแผ่วเบาไปแผ่วเบาไปแผ่วเบาไปอย่างนี้ต่อให้คุณล็อกห้องอย่างดีอย่างไรก็ตามมัจจุราชเกิดความตายก็ยังมาเข้ามาเอาชีวิตเข้าไปได้ล็อกห้องอย่างดีประตูนแน่นหนาทั้งสี่ด้านมียามคุ้มกันกองพลกองชั้นกองม้าต่างๆนี่ก็คุ้มกันได้ พยายามที่จะคุ้มกันอยู่แต่ไม่สามารถคุ้มกันมัจจุราชคือความตายได้แม่นะนอนอยู่บนเตียงหายใจพ ง, งาบผ ง, งาบอยู่ลูกนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆในในจังหวะที่อัตราการเต้นของหัวใจลดลงไปลดลงไปจนเหลือน้อยแผ่วเบามากละจาก60เหลือห0 4สลูกทำอะไรไม่ได้เลยนั่งจับมือแม่ได้อย่างเดียวนะก็ดูว่า ทำอะไรไม่ได้หมอก็ให้ยาอย่างดีที่สุดพยาบาลก็ดูแลอย่างดีที่สุดอยู่โรงพยาบาลหาอะไรยาอะไรก็อย่างดีที่สุดมารักษาแต่ก็ยังไม่มียาแก้ความตายไม่มีหมอที่รักษาให้คุณพ้นจากความตายได้เพะะั้นความตายเนี่ยจึงเป็นความเศร้าโศกพพุทธเจ้าบอกว่าความตายเนี่ยเป็นทุกข์เป็นภัยอย่างหนึ่งในสมอย่างที่แม่ลูกเนี่ยช่วยกันไม่ได้แม่จะมาบอกว่า ลูกอย่าตายเลยให้แม่ตายเองเถิดไม่ได้ลูกก็จะมาบอกว่าให้ลูกเจ็บเองแม่ให้ลูกตายเองแม่อย่าตายเลยก็ไม่ได้เป็นภัยที่ช่วยกันไม่ได้3อย่างนี้ภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายตสาเหตุที่ต้องมีพระรูธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกก็เพราะว่าความเกิดความแก่และความตายพระองค์ก็จึง เกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คนจะตายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอคนตายไปแล้วหรือกําลังใกล้จะตา ย, นยคนส่วนใหญ่จะมีความเศร้าโศกในเรื่องนี้ก็มีในสมัยพุทธกาลคือพระเจ้าประตที่โกศลเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยตอนช่วงท้ายสมัยพุทธกาลเป็นช่วงที่พร ะ, พระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยมีอํานาจมากแล้วก็ได้ครองดินแดนทั่วชมพูทวีบทั้งหมด ไม่มีใครสามารถต้านทานพระองค์ได้ก็มาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ๊ะกิจอันใดที่ควรกระทำํำแต่นในฐานะของความที่ได้เป็นราชามากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างถามพระพระองค์บอกว่าอในที่นี้นถ้ามีภูเขาหินภูเขาหินยักษ์เลยเป็นหินแท่งเดียวกันหมดสูงเทียมฟ้ากลิ้งมาจากทั้งสีทิศทั้งเหนือใต้ออกตก กลิ้งเข้ามาบทปวงสัตว์ทั้งหลายมาจากทางทิศเหนือทิ่ตะวนออกทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วเนี่ยเมื่อมหาภาัยร้ายกาจในกระดา้นี้หลีกนีเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเหมือนอย่งางบางครั้งเราชมภาพยนต์บางเรื่องที่โอ้มีภัยพิบัติภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมแมลงตาจนเราไม่มีที่จะหนีแล้วเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติอย่างนั้นขึ้นเนี่ยพองจะทำยังไงพระพุทธเาถาม พระชาติเปรียที่กุศลก็บอกโอ้โหยถ้าภัยขนาดนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะต่อให้อพลช้างพลมา้าพลรถพนเดินเท้าเอาไปรบก็สู้ไม่ได้ต่อให้ใช้เวทมนต์ใช้ทรัพย์ในการต่อสู้ก็ยังสู้ไม่ได้ถ้าเกิดภัยพิบัติขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องรีบประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติกุศลนะบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ถึงจะพ้นจากภัยนี้ได้ พระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้เหมือนกันว่าภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันคืบคลานเข้ามาทุกขณะลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ขณะนี้เนี่ยทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราก็ใกล้ไปสู่ความตายเข้าไปทุกครั้งทุกครั้งเมื่อทางนี้กำลังเดินไปอยู่ใกล้สั้นเข้าไปอยู่อาจาระวังถามท่านผู้ฟังทุกท่านอย่างนี้ว่าคุณเดินอยู่ตามมรรคหรือเปล่าเดินอยู่ตามไปสู่หนทางแห่งความที่จะ หลุดพ้นจากความตายหรือไปส่นทางที่เมื่อใกล้ถึงจุดที่จะตายแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นสุขไม่เป็นผู้ที่จะต้องร่ําไห้คร่ําครวญทุบก อ, อกชุกตัวถึงความเป็นพุ่ง ง, งุนงงหลงไหลในะเมื่อบอกอย่างนี้กับพระชาติเปเสนที่โกศลแล้วเนี่ยพระชาติระเสนที่โกศลก็ยืนยันรับรองว่าโอเป็นความคิดที่ดีมากนะในเมื่อเราใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะทุกขณะเนี่ยควรที่จะพฤติธรรมประพฤติชอบสร้างกุศลบําเพ็ญบุญ มีครั้งหนึ่งที่พร ะ, ระเจ้าเปาเสินที่โกศลเองเนี่ยได้พบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจคือก็คือมย์สีของตัวเองเนี่ยคือพระนางมลิกาทวีได้ที่วงโคตรลงคือตายลงและพอเมย์สีของตัวเองตายเนี่ยพอมาอมานเนี่ยนำข่าวมาบอกปุ๊บพร ะ, ระเจ้าเปาเสินที่โกศล น, นี่ก็เศร้าโศกเสียใจมากแะเศร้าโศกเสียใจขนาดที่เรียกว่าอาหารก็ไม่อยากรับประทานแม้ร่างกายก็เศร้าหมองสูผ้ผอม แม้การงานทั้งหลายก็หยุดชะงักพวกอัมิรคือพวกที่ไม่ชอบเราเนี่ยก็ดีใจพวกมิรคือพวกที่ชอบเราเนี่ยก็เสียใจเนื่องด้วยข้อนี้เป็นเหตุหรือเหมือนอย่างตอนที่ชุนทัามาเนนได้นำข่าวการปรินิพานของพระสารีบุตรมาบอกกับพระผู้มีพระภาเจ้าในขณะนั้นพระอ น, นุ์ก็อยู่ด้วยพระอ น, นุลก็เสียใจมากที่พระสารีบุตรนี่ผู้เป็นอ克拉สาวก ผู้มีปัญญามากเบื้องขวาเนี่ยได้ทําการการละนั่นก็คือปรินิพานแล้วพระอ น, นุลก็เสียใจมากพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยอ น, นุลนะพระอ น, นุลก็บอกว่าโอ้จะไม่ให้เสียใจได้อย่างไรอันี้พระอ น, นุลกล่าวนะพระอนลกล่าวว่าสําหรับตัวข้าพระองค์นี่ยภาษารีบุตรเนี่ยเป็นผู้กล่าวสอนชี้แจงให้รู้ให้เห็นชี้ชวนให้รับเอาไปปฏิบัติให้กล้าในการทำ ให้พอใจในการทำเป็นผู้ไม่เหน็ดเหนื่อยในการแสดงธรรมเป็นผู้อนุเคราะห์แก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายพวกขพระองค์ทั้งหลายอย่างตามระลึกโอชะอันเกิดแต่ธรรมโภคะอันเป็นธรรมการอนุเคราะห์ด้วยธรรมของท่านภาษาฤาษีบทนั้นอยู่ได้พอพระอนนต์กล่าวอย่างนี้ก็ใช้เหตุผลอันนี้แหละในการที่ เ, เรียกว่าอย่างตามระลึกถึงคิดถึงท่านภาษาฤาษีบรอยู่จึงมีความเศร้าโศกเสียใจโดยข้อนี้เป็นเหตุ ถ้าผู้ฟังรู้ไหมว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนออกบวชก่อนออกผนวชเนี่ยยังเป็นเจ้าชายอยู่ในประสารราชวังเนี่ยมีความคิดบอกว่าเอ๊ะเราได้เห็นคนอื่นเนี่ยทั้งเจ็บทั้งตายมาแล้วตัวเราเองก็ต้องเจ็บต้องตายต้องป่วยคนที่อยู่ในรั้วในวังทั้งหลายหรือประชาชนชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยเขาก็รู้สึกขยักขยั่งเกลียดชังต่อการที่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วตัวเองก็ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันขยะกขยงเกลียดชังอย่างนี้ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าท่าไม่แก้ปัญหาตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วไม่ทําการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นปัญหาอยู่แล้วไม่แก้ไขก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาน่ะสิพระเจ้าจึงคิดว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ถูกเราต้องหาทางแก้ปัญหานี้คือปัญหาของความแก่ความเจ็บความตายจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแต่คิดหาวิธีการ อยู่ในที่สบายอย่างเช่นในภาษาราชวังก็หาไม่ออกรู้สึกว่าการออกบวชเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาได้จึงได้ออกบวชค้นหาแต่สิ่งที่เป็นกุศลประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นหาอยู่สิ่งไหนไม่แก่ไม่ตายมีไหมจะเอาสิ่งไหนไม่แก่ไม่ตายสิ่งไหนไม่แก่ไม่ตายหาอยู่จนกระทั่งสุดท้ายนะไปพบวิธีการที่ไม่แก่ไม่ตายได้นั่นคือพบอริยมรมีองแปด คือหนทางที่ไปสู่ความไม่แก่ไม่ตายหนทางที่ไปสู่ความดับทั้งหมดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยคนเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการบ้างให้คนอื่นมารับรองว่าคุณเป็นสัมมาสัมพุทธะคุณเป็นพระพุทธเจ้าคุณเป็นพระอรหันต์นะคือถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยแม้จะต้องมี พระรามสอ่องใดองค์หนึ่งมีพร้อมหรมือมีใครสักคนใดคนหนึ่งโอ Spider ้ถูกถูกถท่านเป็นพระอรันแล้วท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะท่านตรัสรู้ชอบได้โดยได้ด้วยตนเองละท่านถูกแล้วถูกแล้วเป็นพาระอรันแล้วคนที่เป็นพาาระอรันเป็นสัมมาสัมพุทธะน่ะเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมายกย่องไม่ต้องการให้ใครมารับรองความเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือความเป็นพาาระอรันของท่านเลยเพราะมันรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราไม่ไปเกิดว่าเราไม่ไปแก่ไม่ไปตาย เพราะว่าสาเหตุของความแก่ความตายคือความเกิดถ้าเราไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่ตายสาเหตุของความเกิดคือภพถ้าเราไม่มีภพก็ไม่มีการเกิดไล่ไปไล่ไปนะพระเจ้าค้นคว้าหาจนกระทั่งเรียกว่าสิ่งที่เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมาจากอวิชชาพอรื้อถอนอวิชชาได้หมดกําจัดตัณหาได้หมดเนี่ยก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความแก่ความตายนะแต่ว่าร่างกายที่ยังอยู่เนี่ย พระเาเปรียบเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเวลามันตายแล้วต้นไม้ใหญ่เวลาตายแล้วเนี่ยกิ่งไม้แก่นไม้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันก็รอเวลาที่มันจะหักโค่นไปเท่านั้นเองแต่แต่ตัวต้นไม้ในตายแล้วเปรียบเหมือนกิเลส ข, ของพระองค์เนี่ยพอตายแล้วไม่มีความยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเนี่กายนี้ก็ยังดำรงอยู่เพียงไรก็เห็นแค่เพียงนั้นแตพอกายนี้ถึงการแตกสลายไปก็คือจบไม่เห็นอีก จบไปเหมือนกันพระองค์ก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมารับรองความเป็นสัมมาสัมพุทธะมารับรองความเป็นพระอรันของพระองค์ก็รู้เองเห็นเองแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการจะแก้ปัญหาของชาวมนุษย์สิโลกเนี่ยนะก็คือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายจะทำอย่างไรให้ชาวโลกเนี่ยเมื่อเวลาถึงใกล้เวลาความตายหรือพบกับคนที่ตายคนที่เรารักตายลงหรือตัวเองจะตายลงเนี่ยไม่ต้องเศร้าโศก ไม่ต้องร่ําให้ไม่ต้องคร่ากรวนไม่ต้องทุบ อ, อกชกตัวไม่ต้องถึงความเป็นผู้มุ่งงงหลงไหลทํายังไงทํำยังไ ง, ง, ไงจึงได้กล่าวสอนบอกสอนนะสอนจนกระทั่งตอนแรกนี่ไปหาคนที่จะมารู้ทำเห็นทมจะมีใครไหมมารู้ทำเห็นธรรมหาไม่มีนะอาลาดาบทกราโมโคตก็ทําการลลงแล้วตายไปแล้วอุทกะราโมบุตรก็ตายไปแล้วสุดท้ายจะหาหาได้ห้าคน คือมันจับวากีหาแล้วจะไปแสดงทําให้เขาฟังก็ยังไม่ฟังพูดกันอยู่สี่รอบสามรอบสี่รอบจนกว่าจะฟังฟังแล้วเท่จนคอแหบคอแห้งตั้งหลายวันได้บรรลุบรรลุองค์เดียวเป็นโสดาบันอีตังหาต้องสอนต้องติวเข้มอะไรจนกระทั่งอีกหลายวันจนกระทั่งเป็นพระอรรณ์ทั้งหมด5รูปทั้งหมดที่ทำเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ต้องการให้ใครมารับรองเลยว่าพระองค์เนี่ย เป็นพระอาหารหันต์หรือว่าต้องการให้ใครมารับรองว่าเป็นผู้ตัดสรูรชอบได้โดยปรงเองพอคนที่เขารู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยเขารู้ได้ด้วยตัวเองอัญญากโกฏญยก็ตามปัญจวัคคีย์ทั้งหมดเนี่ยรู้ได้ด้วยตัวเองว่าโอ้เราไม่มีความเกิดแล้วเราเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากความทุกข์ทั้งมวลกานี้ก็อยู่แค่นั้นเองและทำประโยชน์ให้โลกให้ลูกศิษย์ลูกหาไปเท่านั้นเอง พอพระเจ้าค้นพบวิธีการที่จะไม่แก่ไม่ตายค้นพบทางแก้ปัญหาแล้วเนี่ย ก, บ ก, นะ ก, กย็บอกสอนแก่พิสุทธ์ทั้งหลายไปบอกสอนแก่พระเจ้าเสรตที่โกศลที่พบกับความทุกข์นั่นคือความเศร้าโศกเสียใจในการที่ภรรยาคือมเมสีของตัวเองเนี่ยตายลงทําการละลงที่วงโคตรลงบอกกับพระเจ้าเปรตที่โกศลอย่างนี้ว่าคนที่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ย เมื่อพบกับสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดานะแล้วสิ่งนั้นแก่ไปเนี่ยเขาย่อมเศร้าโศกร่ําไห้คร่นะําครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงหลงไหลอันนี้คนที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยจะถูกสิ่งนี้เสียบแทงเหมือนถูกลูกศอนคือความโศกที่มีพิษแทงเขาแล้วย่อมทําตนให้เดือดร้อนแต่ถ้าเราสามารถพิจารณาได้อย่างนี้ว่ามีสิ่งอยู่ห้าอย่างมีของอยู่ห้าอย่างนะที่ว่าไม่ว่าใครในโลกนะ จะเป็นเทวดาเทพมารพรมสมณพราหมีหรือใครๆในโล ก, โลกไม่อาจจะได้นั่นคือของที่มีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยบอกว่าอย่าได้แก่เลยของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบอกว่าอย่าได้เจ็บไข้เลยของที่มีความตายเป็นธรรมดาบอกว่าอย่าได้ตายเลยของที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราอย่าได้สิ้นไปเลยของที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราอย่าได้ชิบหายไปเลย5อย่างนี้ไม่ว่า เทวดาเทพมารพรมหรือใกลรๆในโลกไม่อาจจะได้เราไปบวงสรวงเลเทพเทวดาบอกว่าสิ่งนี้อย่าแตกเลยสิ่งนี้อย่าทําลายเลยสิ่งนี้อย่าชิบหายเลยอตาตมาจะบอกให้เทวดาองค์นั้นนะเขาก็ไม่ได้นะเขาไม่ได้เพราะว่าสิ่งของที่มันจะต้องแตกต้องชิบหายต้องเสียไปไม่ว่าจะเป็นอํานาจยศเงินหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ย ไม่ชิบหายไปไม่แตกไปไม่หายไปไม่สิ้นไปไม่มีหลอกตัวเทียวดาเองที่เราไปบนบาลสางังเกตเขาก็ยังต้องแตกไปสิ้นไปหายไปเลยพรมเหรอเหมือนกันสมณพราหมณ์พระเหรอเหมือนกันมาขอพระบอกโอ้ขอสิ่งนี้อย่าเสียไปเลยพระชีวิตตัวเองก็ยังรักษาไม่ได้เลยจะมาพูดอะไรว่าสิ่งนั้นอย่าชิบหายไปเลยพระพุทธเจ้าบอกพระชาปนีที่โกศลอย่างนี้บอกว่าของหอย่างนี้แหละ แนะอันสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจจะได้เมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้พิจารณาต่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันใกรใคย่อมไม่ได้พราะกันเศร้าโศกประการค ร, รั่มครวดคนที่ไม่ชอบเราคนที่เป็นอัฐมิตรเราพอทราบว่าเราเศร้าโศกแล้วเนี่ยเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเขาย่อมดีใจ เนะืเมื่อไหรก็ตามคนที่เป็นบัณฑิตเคยฟังธรรมรู้ธรรมนั่งสมาธิเคยปฏิบัติมาก่อนเนี่ยพิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวอันตรายทั้งหมดทั้งคราวนี้แล้วเนี่ยเห็นลักษณะหประการที่ไม่ว่าใครๆในโลกเทวดาตนไหนพรมองค์ไหนพระองค์ไหนก็แล้วแต่ราชามาหากษัตระสัดองค์ไหนก็แล้วแต่จะไม่ได้เนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกัน เมื่อทราบความต้องการอย่างนี้อันผู้อื่นหรือเราเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ไม่ควรเศร้าโศกไม่ควรเสียใจควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดณว่าบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่พิจารณาแค่นี้เองควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่อย่าเศร้าโศกอย่าเสียใจอย่าร่ำไห้คนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันเราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกัน แสิ่งใดที่มีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความแตกสลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันเห็นอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดอย่าเศร้าโศกต่อไปให้รู้ว่าบัดนี้เรากาลังทำอะไรอยู่นี่คือข้อความที่บอกกับพระเจ้าเพรสเตนิโกสนไม่ต้องเสียใจในการตายไปในการทำการละของพระเมศรีแะคือนางมาริกาเทวี แล้วที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกกับพระอานุ น, นถึงเรื่องว่าพระสารีบุตรเนี่ยปริจุบันนี้านไปแล้วเนี่ยอย่าเสียใจไปเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันอาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดเป็นไปเป็นธรรมดาเราขอเราหวังว่าสิ่งนั้นอย่าได้ชำรุดไปเลยดังนี้เนี่ยข้อนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ขอสิ่งที่มัน ต้องแตกเป็นธรรมดาเสียหายเป็นธรรมดามีปัจจัยปรุงแต่งบอกว่าอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยมันไม่ได้ปลนะอบกับพระอนุ์อย่างนี้ก็เป็นข้อความเดียวกันที่บอกกับพระอนอุ์เหมือนกันตอนที่พระองค์ได้ละสังขารสามเดือนการปริณิพานบอกว่าเนีย่ยสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอาศรรอาัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ต้องการให้มันเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อบรรจิตพิจารณารุนในความนี้แล้วก็อย่าเศร้าโศกเือทมาเข้าใจพระอนุ์ว่าธรรพระอานนุ์ถึงเศร้าโศกในการปริเด็นิพานของพระสารีบุตรเพราะว่าพระอาหารหันตุกองเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองบรรลุอาหารหันต์แล้วเนี่ยจะกล่าวสอนบอกสอนธรรมะทุกองนะอย่างพระอัญญาโกธัญญาเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้บอกสอนใครเลยมีเนร์อยู่องค์เดียว นะที่ตัวเองบอกสอนแล้วตัวเองไปไหนไปอยู่ป่านะเป็นผู้ยินดีในเสนาสะนะอันสงัดไม่สอนใครไม่บอกใครนิ่งอยู่เฉยๆคนเดียวถามเขาก็ไม่พูดแลนะ้เป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้นเป็นผู้ขวนขวายน้อยเป็นผู้ทรงภาพบังสกุลตลอดชีวิตพระอัญญากรรณญาก็ไม่ได้บอกสอนใครแต่ในกรณีของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่กล่าวสอนชี้แจงชักชวนให้รับเอาธรรมะไปปฏิบัติ กล้าหารแ ก, กล้าในธรรมเป็นสาวกผู้ที่ฉลาดเป็นผู้ชักจูงใจได้เป็นผู้แกล้ากล้าลุทธรรมเป็นเครื่องกเกษมจากโยคะสามารถบอกสอนสัตรธรรมคมขีท่อยคาอันเป็นข้าศึกให้สงบราบคามโดยธรรมแล้วสแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอาสาจยรร์ได้นี่คือคุณสมบัติของภาษาริบุตรองคพระพุทธเจ้ายกย่องภาษาริบุตรมากเลัก ก็จึงต้องการให้เห็นความแตกต่างว่าพระอาหนต์บางองค์ก็ไม่ได้แสดงธรรมบางองค์ก็แสดงธรรมบางองค์ที่แสดงธรรมทาประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองทําประโยชน์แก่พระศาสนาทำมวินัยเนี่ยก็มีคนระลึกถึงตามระลึกถึงเป็นตัวอย่างพระสารีบุตรนี้เป็นต้นใ น, นที่พระอานนท์เนี่ยยังระลึกถึงอยู่ซึ่งอุปมาอุปมายตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างของเปรียบเทียบไปกับมา้าเรื่องของมา้าคือม้า2ตัวใช้งานได้นึ่งตัวที่หนึ่ง นะสมบูรณ์ด้วยสีผิวสมบูรณ์ด้วยรูปร่างตนะตัวที่สองอสีผิวไม่งามรูปร่างไม่งามแต่ทั้งสองตัวใช้งานได้แตนะตัวแรกก็คือเปรียบเหมือนกับภิกษุบางรูปนะภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นพระอาราันละนะรูปแรกนะมีปัจจัยสีมากนะแล้วก็เมื่อถูกถามปัญหาอภิธรรมอภิปิไนก็สามารถตอบได้ปรยา ก, ก่อนได้ส่วนบางรูปนะเป็นพระอรานก็จริงนะมีปัจจัยสีน้อย หรือว่าเมื่อถูกถามปัญหาอภิธรรมอภิวินัยก็ไม่สามารถตอบได้แต่ตัวเองนั้นรู้ธรรมเณรธรรงก็จึงพระอนลเนี่ยจึงมีความรู้สึกระลึกถึงพระสารีบุตรด้วยกรณีนี้นี้เหมือนกันและพระพุทธเจ้าก็ถามพระอนุลตอบอกว่าพระสารีบุตรปรินิพานเนี่ยได้เอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาไปด้วยหรือเปล่าลพระอนุลก็บอกไม่ได้เอาไปพระสารีบุตรก็ปรินิพานไปเฉยๆร่างกายนี้ก็แตกตับไป จิตไม่มีเชื้อก็ไม่ไปเกิดใหม่แต่ศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ได้เอาไปด้วยวิมุตติมีมุตติญาณทันศนะก็ไม่ไดเอาไปด้วยพระพุทธเจ้าจึงสรุปให้ฟังว่าเอา้าก็ดีแล้วนี่ถ้าไม่ไดเอาศีลไปด้วยไม่ไดเอาสมาธิไปด้วยไม่ไดเอาปัญญาไปด้วยเราก็ไม่ควรเสียใจเพราะศีลก็อยู่กับเราสมาธิก็อยู่กับเราปัญญาก็อยู่กับเราถ้าเราปฏิบัติตามมรรคปฏิบัติตามศิกขาสาอย่างนี้เราจะทําให้แจ้งซึ่งวิชาและวิมุตติได้ เมื่อเราทำให้แจ้งซึ่งวิชาและวิมุตได้เราก็พ้นจากความทุกข์ได้ไม่จาเป็นต้องเสียใจเศร้าโศกด้วยเหตุนี้เลยพระเจ้าสรุปให้พระอานนฟังอย่างนี้แล้วก็ยังบอกพระอานน์นต่อบอกว่าเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะนะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณ ะ, ะเลยจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะนะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณ ะ, ะเลย เราก็ได้อธิบายความเป็นสารณะเนี่ยด้วยเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ี่การที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่สังเกตอยู่รู้อยู่มีสติอยู่นั่นแหละคือมีสติปัฏฐานทั้ง4อยู่ในตัวเราแล้วคนที่เป็นอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะเอาธรรมะเป็นประทีปเอาธรรมะเป็นสารณะครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีครูบาอาจารย์พ่อแม่ราชามากษัตริย์ ทุกคนทุกคนก็ต้องร่วงหล่นกันไปตามเวลาตามเวลาของตนของตนแต่ไม่มีใครอยู่ได้ตลอดกาลแม้พระพุทธเจ้าก็ร่วงหล่นไปแล้วผ่านไปแล้วเลยมาแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเหล่าอารักษสาวกเหล่าอรันตตาสาวกในสมัยพุทธกาลหรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ในปัจจบันนี้ที่ผ่านไปแล้วเลยไปแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้เอาศีลไม่ได้เอาสมาธิไม่ได้เอาปัญญาไม่ได้เอามักไปด้วยกับท่าน คำสอนเหล่านั้นยังอยู่คำสอนที่ยังอยู่เหล่านี้แหละน่าจะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่ใช้ให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้กันเทศในวันนี้เป็นการเทศที่บูชาพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดทำใดที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านก็ไม่ได้ต้องการให้เรามารับรองว่าท่านเห็นแล้วซึ่งทำใด อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรู้เองเห็นเองแต่เรายกย่องท่านระลึกถึงท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้กล้ากล้าในการแสดงธรรมไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นผู้อนุเคราะห์แก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายพวกเราทั้งหลายยังคงตามระลึกถึงโอชะอันเกิดแห่งธรรมโภคะอันเป็นธรรมและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมของท่านอยู่ท่านนั้นยังเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้จูงใจเป็นผู้กล้ากล้า สามารถบอกสอนสัจ ธ, ธรรมสามารถข่มขี่ถ้อยคำอันเป็นค่าศึกที่บังเกิดแล้วให้สงบราบคาบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้ในการนี้จึงจะขอสรุปไว้ด้วยพุทธวจนะบทนี้ว่าในการ บ, บัดนี้ก็ดีในการล่วงแปลงเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณนะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณนะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสนธิเธอผู้ใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาเธอผู้นั้นจับเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดพวกเธอทั้งหลายจงมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดํำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้